เมื่อกล่าวถึงส่วนอื่นๆของกระบวนธรรทำแล้วก็ต้องย้อนกลับไปพูดถึงอาญาตนะอีกเพราะกระบวนการทำต่างๆที่กล่าวมานั้นต้องอาศัยอาญตนะเริ่มต้นที่อาญตนะเมื่อว่าองค์ทำอื่นๆสำคัญก็ต้องว่าอายาตนะสำคัญเหมือนกันเช่นเมื่อว่าเวทนาเป็นองค์ทำสำคัญยิ่งในกระบวนธารทำแบบเสพสเวยโลกอาญตนก็ย่อมมีความสาคัญมากด้วย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 การดมการลิ้มชิมรสการแตะต้องเศษ ส, สีความสนุกสนานบันเทิงตลอดจ น, จนจินตนาการสิ่งที่หวานชื่นระเรื่นใจความจริงหน้าที่ทั้งสองอย่างนี้ก็ติดเนื่องอยู่ด้วยกันหน้าที่อย่างแรกเรียกได้ว่าเป็นหน้าที่หลักหรือหน้าที่พื้นฐานที่จำเป็นส่วนหน้าที่ที่สองเป็นหน้าที่รองจะว่าเป็นของแถม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 มีไว้เพียงเพื่อเป็นส่วนประกอบสนองการทำหน้าที่อย่างที่สองหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่ากระบวนการรับรู้มีไว้เพื่อรับใช้กระบวนการเสพสวยโลกหรือรับใช้กระบวนการสังสารวัตรเท่านั้นเองทั้งนี้เพราะผุุ้ชนมักใช้อ่านยตนะเพื่อมุ่งรับรู้เฉพาะความรู้ส่วนที่จะทำให้ตนได้เสพสวยอารมณ์อร่อยของโลกเท่านั้นหาสนใจสิ่งอันพึงรู้นอกจากนั้นไม่ ยิ่งกว่านั้นสำหรับปุถุชนแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับโลกในภาคแสดงออกด้วยการทำการพูดการคิดก็จะกลายเป็นการกระทำเพื่อรับใช้กระบวนการสังสารวัตเช่นเดียวกันคือมุ่งทำพูดคิดเพื่อสแสวงหาและให้ได้มาซึ่งอารมณ์สำหรับเสพเสวยยิ่งเป็นปุถุชนที่หนามากเท่าใดความติดข้องปัวพันอยู่กับหน้าที่อย่างที่สองของอ า, ญญาตณตนะ ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นจนถึงขั้นที่ว่าชีวิตและโลกของมนุษย์วนเวียนอยู่แค่อายตะนัหกเท่านั้นเอง